สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขใช่ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเราว่าของเราก็ไม่ควรใช่ไหมก็ใครควรไปพิจารณาไปในลักษณะไหนี้แล้วจะยินดีพอใจในผมได้ไหมไม่ได้แล้วนะแต่ไปบอกฉะนึกบอกว่าในฐานในหลักการที่พระผู้มีพภาคเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นที่พระองค์ทรงสอนไว้นะ่ะสมบูรณ์หรือยังสมบูรณ์แล้วนะสมบูรณ์แล้วแต่ เราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจนี่ที่ไม่สมบูรณ์นี่คือใครเราไม่สมบูรณ์เองเนาะเราไม่สมบูรณ์แต่ว่าพระพุทธเจ้ า, านั้นพระองค์แต่จะรู้พระองค์สมบูรณ์แล้วทีนี้ก็ไปตามดูตรงเนี้ยในหน้าที่สิบสามที่บอกว่าปกิณฑาการเวทนาแปดในพึงทราบปกิณฑาการแห่งเวทนาดังนี้โดยลักษณะเนาะเวทนามีอยู่สามอย่างเหล่านั้นน่ะสุขเวทนา ทุกขเวทนาแล้ะทุกขมาสุขเวทนานี่นะว่ารเวทนาสามจริงๆเวทนามีมีสองก็มีเวทนามีสามก็มีเวทนามีห้าก็มีเวทนามีหกก็มีเวทนาสิบแปดมี้หเวทนาดีตานาคตปัจจุบันนี่เลยเวทนาเวทนาหกก็เวทนาภายในภายนอกเวทนาสิบแปดเวทนาสามสิบหกก็มีนะเป็นร้อยมีไหมเนี่ย มีเนาะเอาไงดีเป็นร้อยคิดไงดีบอกเลยดาวนี้บางนี่บางคนก็คิดไม่ออกก็เขเอาไปตามจิตก่อนนะจิตแปดสิบเก้าร้อยบเอดแนี้มีเวทนาหมดเลยว่าในเวทนาร้อยยี่สิบเอ็ดบายเล ย, เยใช่ไหมเอาทําไมจึงต้องรู้เวทนาเยอะ ลูเวทนาน้อยๆได้ไหรือยได้ไม่ได้เวทนาเป็นปัจจัยก็อะไรเวทนาเป็นอาหารก็อะไรเวทนาเป็นปัจจัยยังมีตันหาหมั้ยมันจะต่อด้วยตันหานี่ทุกเวทนาต่อด้วยตัญหาหมดนเลยโทษของการไม่รอบรู้เวทนาเนี่ยก็คือการการันตัญหาไม่ได้ เมื่อเมื่อเมื่อการตั้หาไม่ได้อุปาทานไม่ต้องพูดถึงแต่นี้ก็ทํากรรมเลยแตนี่เห็นไหมพอทํากรรมก็ดีนิชาติทุกชะลาทุกขมรณะทุกโศกกระริเทวาทุกกระทบมรณะส า, าและอุปาญาตามมาไหมโอ้ยตามมาเยอะเลยนี่ก็เดือดร้อนอยู่ทุกวันเนาะนี่เดือดร้อนนั้นเวทนาเกิดขึ้นทางทวานตากเลยเยอะไหมทางทวานหูในขณะที่ จากขูสมปัสชาวเวทนาเกิดขึ้นก็ต่อได้เวทนาสามได้ไหมได้ไหมได้ได้นะต่อได้ศุขเวทนาก็ได้ทุกเวทนาก็ได้แล้วก็อุเบกขาเวทนาก็ได้ไม่เห็นรูปลาลมอย่างเดียวนี่ยนะสามารถต่อได้เวทนาสามฟังเสียงแล้วต่อเวทนาสามได้ไหมได้กลิ่นดมกลิ่นเนี่ยนะแล้วก็ริมรสอาหารเมื่อเชา้านี้อาหารก็เรียบร้อยไปแล้วตอนกลางวันก็เรียบร้อยไปแล้วใช่ไหม ได้เวทนาอะไรบ้างได้สมณสเวทนาตามมาด้วยรัศดาตัญหาไหมยินดีพอใจในรถไหมพอยินดีพอใจในรถก็ยึดมั่นเลยนะโอ้ยร้านอาหารบางทีนี่จองคิวกันเลยนะบางคนนี่ไปต่อคิวก็บอกกว่ายอมจะซื้ออาหารมาถวายท่านได้ก็ต้องไปต่อคิวหรอกเราบอกอยอมไม่ลำบากขนาด น, นั้นเนาะขนาดนั้นเลยนะแต่ถามว่าเออที่ไปยืนต่อคิวอย่างงัไงคิดยังไง เปบุญตั้งแต่ออกจากบ้านไปเลยไหมไหนกัถามโยมเขาบอกไม่แล้วเครียดเลยวันนี้กู่หมกทานไม่ค่อยบริสุทธิ์ถ้าแล้วก็มึงเคยกล่าวโยมกันเลยอีนี่บริสุทธิ์ไหมได้อาหารมาเดบหน้าดํำกําเครียดแล้วมาถวายกันลำ <c oughs> บากแบบนี้โยมเวลาเห็นอาหารเนี่ยเห็นอาหารที่ดีที่สุดเนี่ย คิดถึงตนเองก่อนหรือคิดถวายสงฆ์ก่อนไม่อทยาสายอ่ะที่จริงๆเลยเห็นต๊อปเนี่ยโอ้ยอยากจะถวายเพื่อนอบน้อมบูชาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเป็นปัจจัยแก่วิวัตตะกามินีกุศรีคิดแบบนี้ไหยใช่เหมต้องตั้งอัธยาสายอย่างนี้บ่อยๆสิตั้งอัธยาสายแต่ก็เอื้อเลยเวลาเลยเวลา เรียกว่คนไหวใหม่นะอันนี้ไม่เคยคิดเลยนะไม่เคยคิดเลยอันนี้ขนาดคิดเนะียต้องไม่ต้องพูดถึงการลงมือทำเลยนะเอาแค่คิดก่อนเนี่ยคิดให้เป็นปัจจัยเหตุการ์ที่จะมีอัจฉริยะใบ้างเพราะงั้นอัธยารัยของคนเนี่ยสั่งสมได้ด้วยการด้วยโยนิโสมณัสสิกานด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนะถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเนี่ยอะไรจะตามมาด้วยไหมสัมมาสังกปะจะตามหร ถ้าสัมมาสังกปรตเกิดขึ้นแล้วก็จะมีสัมมาวายาแล้วแล้วก็จะสัมมากรรมันตาสัมมาชีวะต่อมาจะเป็นสัมมาวายมะใช่ไหมจะเพียนทกถูกแล้วสัมมาสติสัมมาสมาธิก็จะตามมาเองนะมันเริ่มต้นด้วยยังไงยังไงก็ให้ขึ้นด้วยสัมมาทิฏฐานึงถ้าหากว่าเริ่มด้วยมิจฉาทิฏฐิแล้วอะไรตามมาตรนี้มิจฉาสังกปรตลงคิดปิดไปใหญ่แล้วตรงนี้นี่จะเป็นอย่างเงนะก็ ตรงนี้นะสุจริตสามของของเราจริงไม่ค่อยจะได้กันเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ต่อเนื่องนะไอ้ตอนตอนทำบางทีก็มานาสิการได้ดีนะลองลองหยุดกันขึ้นมาปุ๊บถ้จะลุกเดินไปเนี่ยตอนนี้มันลืมหมดเลยเคยเป็นขนาดนั้นไนะลืมบ่อยไหมถ้าลืมบ่อยเนี่ยอาจารย์ก็เห็นชัดว่ามันมันร่วงนะคําสอนที่เรามานาสิการหรือเราใส่ใจเนี่ยลองคิดดูนะเราเราอายุ ข, ขนาดนี้มันยังร่วงเร็วขนาดนี้นะ ถ้าสมมุติจะให้ผ่านไปสักสองปีข้างหน้าเนี่ยต้องใสยในขณะที่ฟังอยู่เนี่ยใครกวนใจไม่ได้เลยนะตรงนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังเนี่ยไอ้สังเกตตัวเองนะว่าเวทนาทางไม่ใช่วทนาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นแล้วก็ทางกายแล้วก็ทางใจเนี่ยจะต่อด้วยเวทนาสามเนี่ยจะต่อด้วยเวทนาสามทางจากักรคุทวานโสตทวานคานาทวานชิวหาทวานกายยทวานแล้วก็มโนทวานต่อด้วยเวทนาสาม สามหกเท่าไรสิบแปดนี้ภายในเนาะภายนอกอีกเท่าไหร่ภายนอกอีกสิบแปดเนี่ยสิบแปดบวกสิบแปดรวมกันเป็นเท่าไรโหสามสิบหกอ่ะที่เป็นอดีตเท่าไร่อดีตสามสิบหกปัจจุบันเท่าไหร่อนาคตที่จะเกิดอีกเป็นเท่าไหร่ดีเนี่ยเริ่มได้เยอะขึ้นแล้วเนี่ยก็เป็นไปในเรื่องตึงเนี่ยก็ปเป็นแบบนี้พยายามคิดหาเวทนาแบบเนี้ย แล้วเราจะเห็นตัณหาเยอะไหมย่าแปลกใจถ้าตัณหาจะต่อกันจากเวทนาได้เยอะใช่ไหมตัณหาก็มีอะไรกรรมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนตัณหาสามก็อีกนะตัณหาสามคูณอารมณ์หกไปโอ้ไปใหญ่เลยตัวนี้เนี่ยตรงเนี้ยท่า น, นเวทนาที่มีการเสวย อ, อิฐารมมารมณที่น่าปรารถนาเป็นลักษณะเชื่อวเวทนาอะไรเชื่อว่าเวทนาอะไร ถ้าเวทนาที่มีการสวยอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เรียกวเวทนาเลยสุขเวทนาใช่네ไหมเวทนาที่สวยอนิจฐารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเป็นลักษณะชื่อว่าทุกขเวทนาใช่ไหมอารเวทนาที่สวยอาร ม, าร ม, มาราาณ์ที่ผิดจากทั้งสองที่ก็เรียกมัดชัตตารมเนี่ยเป็นลักษณะอันนี้ชื่อว่าอาทุกขมสุขเวทนาใช่네ไหม ฉะนั้นการเกิดขึ้นของเวทนาทุกเวทนาจึงปรากฏแต่อทุกกรรมสุขเวทนานี่ชัดหรือไม่ชัดว่ากนเนี่ยไม่ชัดเนะี่ยเขาอุปมาเหมือนอะไรเหมือนทางที่เนื้อผ่านไปแล้วบนแผ่นหินแผ่นหินบนลานหินบางทีก็เรียกพลานหินก็เลยลานหินแผ่นหินเวลาตอนที่เสือมันจะโดดขึ้นไปเนี่ยไอ ไอ้ตรงที่เท้ามันยันนี่ที่เป็นพื้นแผ่นดินมีรอยไหย ม, มีรอยแต่ว่าไปเหยียบบนแผ่นหินมีรอยเสือไหมเดี๋ยร์ยมมอกว่าเสือก็เหยียบโครนไหมอย่าเงี้ยเนี่ยคนโอเปมาลเราพูดอยา่างกันนะนะบางคนเราโอเปอร์มาอย่างพอกว่าอย่าไปมองคิดอีกอย่าง บ, ออางางบรรลอยากกันเลยน ะ, นะเคยยอมเคยเจอไหมเคยไป้นั่งคุยคุยอะไร เราก็จะอุปมาเรืเ่องนี้แกก็จะไปง่างยอีกเรื่องแล้วก็แล้ก็ไปในวลาทางก็ไม่ไหวแล้วทีนี้เวลาเหยียบบนแผ่นหินเนี่ยแปลว่าไม่มีรอยเสือแต่พอโดดลงดเดี๋ยวนี้โดดลงมีรอยอใช่ไหมถ้าบอกสุขเวทนาก็ชัดพอเกิดขึ้นกัตรัต์ทั้งหลายสัตว์นั้นก็จะเพอ้อเนี่ยก็จะเพอ้อว่าสุขจริงหนอเนี่ยทุกเาวทนาก็ชัดเวลาเกิดขึ้นกัตรัต์ทั้งหลายสัตว์นั้นก็จะท ม, มนัสบอกว่า พ่รา ث ลำไบล ำ, ลำไรลาําบันทุกมากทุกจริงโว้ยเลยก็ว่ากันก็สรุปว่าสุกระทบเขเวทนานี่ชัดมากแต่อุเวขาเวทนานั้นสัตว์โลกจกักไม่ก็เย็นแต่มีอยู่ไหมมีอยู่ใช่ไหมก็ยังไงเนี่ยยิางเรากินอาหารอาหารที่เราไ ด, ได้เคยสัมผัสหรือกินครั้งแรกเนี่ยที่มันมีรสชาติที่อร่อยและเป็นอิทธาลมนะที่ถูกใจอันนั้นเกิดเวทนาอะไร สุขเวทนาใช่ไหมทีนี้เมื่อกินนั้นทุกวนันทุกวันเนี่ยเป็นยังไงมันเฉยไหมธรรมดาอย่างนั้นเป็นเวขาแลยเนี่ยถ้าหากว่ากินเข้าไปแล้วนอกจากจะไม่อร่อยด้วยแล้วยังมีรสชาติที่น่าเกลียดด้วยเนยอันนี้ก็เป็นทุกขเวทนาอย่า้ไปตลอดสรวุปว่าทุกขเวทนากับกับสุขเวทนานี่เห็นชัดแต่อุเวขาเวทนาเนี่ยไม่ชัด เจ้วเวทนามีอยู่สองส่วนเนี่ยผู้ไดเจ้าบอกว่าให้บอกว่าสุขเวทนาให้ให้กำหนดรู้สุขเวทนาด้วยความเป็นทุกข์เห็นไหมให้กําหนดรอบรู้ทุกขเวทนาเหมือนกับลูกศอนให้เห็นอุทกธรรมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยมเจ้าสุขเวทนาเห็นด้วยความเป็นทุกข์ถามว่าสุขเวทนานี่เป็นทุกขในฐานะอะไรในฐานะอะไร สุขเวทนาตัวมันเองเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทกตรงไหนเพราะพุทธิยถาตรัสว่าเป็นวิปรีนามาทุกข์ทุกข์เพราะเปลี่ยนใช่ไหมทุกข์เพราะว่าเปลี่ยนไอ้ทุกขเวทนาเนี่ยเป็นที่ติทุกข์คือทุกข์คือการตั้งอยู่เ้าเนี่ยแหละเมื่อมันตั้งอยู่นานเมื่อไรมันก็ทุกข์มากตท่นั้นใช่ไหมใช่ทีนี้ตัวทุกขเวทนานเกิดขึ้นน่ยพระองค์ให้ผมมาว่าเหมือนกับลูกศรไอ้ลูกศอนเนี่ยธรรมดาลูกศรเนี่ยตลายลูกศรเนี่ย มันจะเหมือนกันกับ ด, ดาวอ่ะเป็นรูปดาวแหลมๆนั่นแล้วมันจะตักเวลาเสียบเข้าไปเนี่ยมันถอนออกยากฉะนั้นในขณะที่โดนลูกศรปักเข้าไปนี่นะในขณะที่ลูกศรปักอยู่มันก็ทุกเห็นไหมเวลาถอดออกทุกไหมก็ทุกอีกนั่นแหละฉะนั้นตัวทุกขเวทนาเนี่ยมันมีสองส่วนเห็นไหมที่ในสูตรเนึ่ยเราทุกขเวทนาทางกายกับทุกขเวทนาทางใจ ทุกขเวทนาทางกายนั้นได้แก่ทุกขขาสาขตากายยวิญญาณเนี่มันเกิดขึ้นในขณะที่ทุกขากขาสาขตากายยวิญญาณในจิตเกิดขึ้นเนี่ยเราถูกกระทบกระทั่งทางรูปกายเป็นต้นในพันกายของเราทั้งหมดมีกายยปัสสาวะรองรับอยู่ใช่ไหมเมื่อมีกายยปัสสาวะรองรับอยู่เนี่ยทุกขากขาสาคตากายยวิญญาณในจิตมันเกิดขึ้นมันก็มีเจตสิกธรรมี้นั้นะมีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินซีมนสิการันใช่ไหมที่เกิดร่วมอยู่ในนั้นในนั้นคือ ตัวเวทนานั่นแหละที่มันเกิดขึ้นจากการถูกกระทบกระทั่งเป็นต้นถูกงูกัดบ้างถูกการกระทบกระท่างทางกายเป็นต้นเนี่ยมีการฟกช้ดำดําเขียวเป็นต้นอะไรเนี่ยนะตอนนั้นมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นไอตัวทุกข์กข่าสาคตากายแยกญาณจิตมันก็ทํากิจที่มันมีเวทนาเป็นมาดานพอทุกขเวทนาทํากิจของเขาเขาก็เป็นตักใจให้กับ แกต่สิกขาธรรที่เกิดร่วม ก, กันกับเขาคือสัญญาขันสังขารละขันแลียแต่วิญญาณขันที่เกิดนั้นก็พอยเศร้าหมองไหมก็พอยเศร้าหมองไปด้วยฉะนั้นเมื่อเขาเกิดความเศร้าหมองขึ้นก็เป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์เลทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นนะผู้ดิชนที่ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระริยาเจ้าเนี่ยไม่ได้ฟังพระธรรมคําำำสอนของพระเจ้าไม่มีอุบายในการที่จะใคร่ควรพิจารณาเห็นเหตุ เ, หเกิดความดับเห็นอัศาธาอาทีนวานิสระของเวรนาเป็นต้นอยู่ไหม ไม่ได้ใครควรพิจารณาเวทนาีเป็นทุกข์กษัตริย์ยังไงเวทนามีปัจจัยเป็นยังไงปัจจัยของเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาเป็นต้นไม่ได้พิจารณาไม่ได้ใครควรใช่ไหมพอไม่ได้ใครควรตรงเนี้ไม่รู้เหตุเกิดความดับอัศทะไม่รู้คุณของเวทนาไม่รู้โทษของเวทนาไม่รู้นิสระหรือปฏิบัติที่จะปฏิบัติเพื่อออกจากเวทนาเหล่านั้นโดยชอบเนี่ยพอไม่รู้ก็ติดน่ยอยู่ที่เวทนานั้นแล้วพอทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นมาเป็นปัจจัยกันแล้ เป็นอุปนิสยปัะจัยแกิโทมานาเสวนาทางใจใช่ไหมทีนี้บางทีไม่ได้เกิดจากทางกายเป็นปัจจัยนะั้นเล่นทางใจเลยเยอมไหมมันมีอยู่หลายๆช่วงนะบางคนเนี่ยจากการที่เป็นคนที่มีเงินมีทองมีฐานะแต่อยู่ๆขึ้นมาเกิดอคุโสลกรรมมันเล่นงานเนะี่ยปุบเดียวเนี่ยนะบางคนโอ้โหหมดเนื้อห ม, หมดตัวเลยจนตั้งหลักไม่ทันเนี่ย้็มีโยมเขาเคยเล่าให้ฟังนะ ตอนสมัยบางช่วงเนยบางยุคบางสมัยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหจากการที่ว่ามีเงินมีทองเนี่ยก็เกิดไฟสมัยโบราณเนี่ยไฟไหม้บ้านแล้วสมัยก่อนนะก็ทราบสมบัติเขาก็าไว้ในบ้านกันมีธนาคารที่ไหนโยมก็เล่าให้ฟังแล้วโดนไฟไหม้หมดเลยว่ากันเนีเงินก็จ่ายไว้ในตู้เซฟในอรงต่างไฟไหม้สเสด็จไม่มีเหลือจากเมื่อคืนนอนอยู่ยังเป็นคนรวยอยู่เลยว่ากัน้นนะ พอตื่นขึ้นมาจนเนี่ย่างั้นนะกล า, นะายเป็นคนจนแล้วเหลือแต่เสื้อผ้าบางคนก็แบกอะไรวิ่งกันออกจากบ้านเลยแปลกดีนะที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่อู่ทองไฟมันไหมไอเนี้่ไฟมัน ไ, มไหมเออมันไห ม, ออ ม, ไมลงสียอมวิ่งออกมายัง ม, มียอมคนหนึ่งยอมผู้หญิงคนหนึงอายุแปดสิบ ไม่รู้แกแปลวแรงมาอย่างไหนแเข็นรถเบนซ์แกไม่ได้คันแกคนรู้คนมีตัไม่รู้ยังไงพอไฟไหม้หอยอมก็เข็นรถรถเบนซ์เนี่ยเข็นออกมาได้เฉยเปลี่ยนออกมาเด้ตั้งกา ค, คนก็ไปถามไยายยายให้เข็นกลับไปใหม่ก็ไม่ไหวแล้วหมดแรงแล้วที่ตอนนั้นตอนนั้นไม่รู้แรงมาอย่างไง เนี่ยคนทำบางทีทำได้แลงตกใจบ้างนะโทสะก็มีพลังนะโทสะคือความกลัวเนี่ยก็มีพลังโลภามีไหมโลภาก็มีสมัยโบราณมีคนคนหนึ่งไปรักข้าวไปรักข้าวจากบ้านนันปกติเป็นฟ่อนยช่ไหมถ้าแถวทุ่งนาอยเป็นฟ่อนใหญ่ๆเนะี่ยแล้วแกก็ไอใช้ไม้ไผ่แทงาหาบะ ปกติค้นหาบอย่างแข็งแรงที่สุดนี่นะข้างละหนึ่งฟอนใหญ่ๆนี่นะมัดใหญ่ๆนี่ถือว่าหนักเต็มที่นี่จะเล่นสองมัดเลยข้างละสองนะแกแบกได้อย่างสบายเลยแบกบเดินเฉยป๊อปป๊ออเจ้าของก็ก็มองดูไปเรื่อยเขแอ บ, บดูก็เห็นใช่ไหมพอไปได้นะไกลแล้วสักพักนึงก็บอกนีก่วางลงก็แบกบกลับไปที่เดิมนี <laughs> ่ให้หาบกลับไปที่เดิมอ่ะแก แกนั่งซุดลงองเจ้าบอกข่าวไม่ไหวแล้วเอาแล้วทำไงต้องเล่นสองรอบออกสองรอบเลยนะัเห็นไหมนะั้นโลภะเนี่ยก็มีกําลังโทสะก็มีกําลังหมากุศมีไหมมีโอ้บางคนมีกําลังเพียรพยายามในการที่จะไปเจริญกรุศเนี่ยนะโอ้บางคนลําบากมากคนบางคนเนี่ยแกมาก มาเคยครั้งหนึ่งไปไปอินเดียปกติยมมนี่ประคองซ้ายประคองขวานไปขึ้นเขาทิชกูดมันมาก็ลงสังเกต ด, ดู่ะค่อยดูเลยพอไปถึงตรงนั้นก็บอกแม่แ ม, แม่ได้จ้างคนมาอมยื้นมาไม่ต้องหรอกแค่ต้องการบูชาปังปองท่านอาจารย์พูดแล้วอย่ยากจะบูชาพระเจ้บาบูชาทุกการกิริยาของพระพภาธเจ้าเอาสิมะบูชาความเพียรของพระเจ้า เอาเละเดินขึ้นลเลยปรงมานี้อือหนีไงมหาภูศน์มีก็มีรแรงหลายหลายคนที่ทำท่าอยากจะขึ้นขันหนาวหมเพอเห็นแกเดินเนี้ยพากันเดินตามหมดเลยนี่หนีใช่หไหมพระบางองค์เนี้ยถือบูชาบำเพ็ญทุกกรกิริยของพระเจ้าเจ็ดปีนะถือการไม่นอนอย่าไปคิดว่าท่านปฏิบัติแบบอัดตักกีรมาถานุโยกนะ ท่านทำเพราะเหตุผลเพื่อต้องการบูชาคุณนั้นท่านเจริญพุทธคุณเข้าใจไหมนั้นเวลาท่านเจริญพุทธคุณเนี่ยต้องเข้าใจแล้วคศนศึกษาว่าทำเนี่ยเราบอกเ อ, อันไหนคืออัตตะกีรัสมาฐานนิย o g อันไหนคือกรมาสุขขาากานิยานิย o ต้องชัดเนาะต้องจะต้องดูเหตุผลนี้ท่านทําแล้วก็ท่านทํำด้วยด้วยเหตุผลของปัญญาไหมต้องดูด้วยแล้วไม่ได้ทำด้วยควา ม, ม, มงมงายทำเพื่อบูชาคุณของพระพุเจ้าอย่างเงี้ยนั้นมหากุสนก็แข็งไรง ทีนี้เวลาเราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเวลาเจริญกุศลทั้งหลายก็ เ, เหมือนกันใช่ไหมถามว่าถ้าพอเจริญกุศลถ้ากุศลเดินจริงๆนะกุศลจะต้องเป็นสมนัตหรือเวิกขาแล้วก็จะต้องมีความเบ า, บาวความอ่อนความคล้วนในนั้นใช่ไหมกายะปัสสติจิตาปัสสธิกายะระหุตาจิตาระหุตากายกรรมัญญาตาจิตตกรรมัญญาาเป็นต้นให้สังเกตด้วยกุศลและจิตนะจะต้องมีความเบาความคล่องตัวใช่ไหม แ้วจะต้องมีความซื่อตรงจะต้องมีความควนแก่การงานของจิตและแจสิษฐขั้นสามเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ต้องแก่ดูว่าเราเราจะเจริญกุศล้วมันหนักไหมใจหดขู่ ท, อทอ้อถอยอ่านั่งฟังธรรมเนี่ยนั่งฟังธรรมแล้วมันนั่งแบบงอยงอยไหมหรือมันแบบว่าจิตใจนะั้นมีปลาโมดปีติในขณะที่ฟังถ้าปราโมดปีติในขณะที่ฟังแสดงว่าตอนนั้นกุศลจิตเดินใช่ไหม แล้วถ้าหากว่าเกิดตามโมดด้วยตอนนั้นเป็นสมณะเวทนาไหมเป็นสมณสเวทนาแล้วเราเรียนรู้เวทนาไปด้วยในขณะที่ศึกษาเวทนาไปด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนี้เขาเรียกเออเริ่มเข้าใจเวทนานะเราจะไปร้อวิ่งศึกษาเวทนาดูในหนังสือไปเรื่อยๆเข้าใจแล้วค่อยไปว่ากันใหม่ไอ้นี่ที่เรียนแบบนี้ยสมัยก่อนอาจามาก็เรียนแบบนี้อ่านไปอ่านไปเดียอะก็เข้าใจไปเองอ่านได้โทรศัพก็อ่านอ่านดังๆก็อ่านนี่เสียเลย อย่างนี้ศึกษาถูกไหมเรียนได้โลภะถูกไหมเรียนได้โทสะถูกไหมไม่ถูกเลยนะเรียนด้วยโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเรียนไปเดีย๋ยวเราจะต้องไปจัดการกับคนค น, นั้นไงแต่คนนั้นตอบบังหอเราเราตอบไม่ได้ถ้าคิดอย่างนี้ผิดไหเนี่ยแก่คิดก็ผิดแล้วศึกษาประธานนี่ไงอย่างนั้นศึกษาประธานธรรมนี่ก็ศึกษาไปเพื่อขัดเราเนะี่ยขัดเลาอะไรดีขัดเรากิเลสนะราคาโทสะโมหะใช่ไหม เราเรียนพระธรรมคาสอนของคนที่หมดราคะหรือไม่หมดราคะเป็นบุคคลที่หมดราคะเรียนพระธรรมของพระเจ้านี่นะพระเจ้าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิวิจิกาไม่มีอหิริกะอานาุตตะปาไม่มีอุทะจ่าแล้วฉะนั้นเราเรียนพระธรรมของบุคคลผู้หมดกิเลสนะเราก็ต้องตั้งกายกรรมวจีกรรมอาชีพให้บริสุทธิ์แล้วก็จะต้องทําจิตตะให้บริสุทธิ์ให้เป็นวิสุทธิด้วยเนาะ เราจะได้เป็นที่ตั้งของปัญญาที่เป็นวิสุทธินี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวทนาเนี่ยทางกายกับเวทนาทางใจเนี่ยเวทนาทางใจเนี่ยนะจะเกิดขึ้นโทมนัสเวทนานี่นะโทมนัสเวทนาจะเกิดขึ้นกับปุถุชนที่ไม่ได้สดับเว ท, ท, ทนาทางใจนี่นะถ้าปุถุชนที่เขาได้สดับแล้วเนี่ยเวทนาที่ทุกขเว ท, ทในาทางใจ ถ้าเกิดเกิดไม่นานแล้วเขาละได้เร็วมากแต่ถ้าผุ้ดูชนที่ไม่ได้สดับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างดีด้วยนะเวลาโทมานัสเวทนาเกิดขึ้นก็ตีอกชกตัวแล้วแต่ร้องไห้ใช่ั้นแล้วแล้วแปลกนะมีมีพระท่านมีมาศึกษาพระธรรมทีนี้ก็มาศึกษาพระธรรมเสร็จแล้วก็ตอนนี้ต่ อ, ตอมาก็ญาติญาติเสี ย, ย, ยว่าญาติเสียเ้าบอกเอ๊ะ ก็ทีนี้พระเขาพิจารณาเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหมว่าการพัดพลาดเนี่ยจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นคือท่านใข้ควรมาเป็นอัธยาศัยของท่านแล้วใช่ไหมมีอภินหาปรปัจเจก เ, เนี่ยบอกบรนประชิตควรพิจารณาเนือ ง, งว่าเราจะต้องมีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นใช่ไหมเพราะเนืองๆแปลว่าวท่านจะต้องมาสาธยายประจํา บ, บรรพชิตคนพิจารณาหนึ่งๆว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจังนเาเรฤหัดแล้วอาการกริยาใดๆของสมณะเราควรนำอาการกริยานนั้นใช่ไหมเป็นต้ น, บ, นบรรพชิตคนพิจารณาหนึ่งๆว่าอาการกายวาจาใจที่ยังดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้เป็นต้นแล้วก็ยังมีอยูข้อนึงบอกว่าคนพิจารณาหนึ่งๆว่าบอกเราจะต้องพักภาคจากของรักของชอบใจนั้นทีนี้พอเกิดญาติเสียขึ้นมาท่านก็ไปท่านก็ไปพิจารณาท่านก็ปกติของท่นใช่ไหม ต่อมาญาติๆมาโอ้ท่านใจดํามากญาติตายทั้งคนน่าจะร้องไห้บ้างเพื่อจะมาบางังคับให้พาร้องหไห้ได้เจอพระรอบหนึ่งท่านร้องไหยย้เนี่ยญาติเสียก็ร้องไห้พระโยมไปเตือนก็บอกอว่้บอก็เ ป, เ, ปเป็นเป็นแม่ผมอ่ะต่รอเงนินน่าก็ร้องใหญ่แล้วบอเป็นแม่ผมอ่ะตาย ล, ลาบากแล้วแบบบมาเท่าไรแล้วท่านนสิบปีแล้วสิบปีร้องไห้มินเด็กเลยยุ่งเลย คือบางทีก็ถืออย่างนั้นเไงก็ถือว่าตายแล้วต้องช่วยกันร้องหนูร้องเป็นพิธีเนะ้ร้องเป็นพิธีถ้าเราตายเราอยากคนอื่นเร้อร้องไห้เราล้องไ ห, งงหง้ตรงนี้นี่แหละก็ เ, ออกเวทนาเนี่ยเวทนาทางใจเนี่ยผ้าอริยะไม่เกิดเกิดท่านหมายที่ไม่เกิดเนี่ยถ้าระดับไม่เกิดอย่างถาวรเลยคือผ้าอาคารเนี่ยอย่างพระโสดาบันเนีย่ยพระสกทาดีถ้ายังมีโทจอยอยู่ใช่ไหม แต่โทสะของท่านนั้นเป็นอภัยะธมนิยัไม่นําไปสู่ใบายภุม่มแล้วท่า น, นเป็นเป็นปกติไม่เหมือนโทสะขบุรุษชนนี่ไหมโทสะขบุรุษชนเนี่ยนำไปลงในใบายภุม่มนะเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นอย่างเวทนานะสุขเวทนาทุกเวทนาปรากฏชัดไม่วงชัดแต่อทุกเขามืสุกเวทนานั้นไม่ปรากฏชัดทีนี้นั่นคือประการแรกโดยลักษณะท่านต้องการชี้ปักกิญญาเวทนาแปดในตรงเนี้ต้องการให้ดูหนึ่ง รู้ลักษณะของเวทนาก็คือต้องไปรู้จักเวทนาให้ชัดนะถ้านเอาเวทนาสามมาตั้งว่าสุขเวทนามีลักษณะที่เสวยอิทธารมเป็นลักษณะนะถ้าทุกขเวทนาเนี่ยมีลักษณะของเขาคือสวยอา น, นิจธารมเป็นลักษณะถ้าอทุกขมสุขเวทนาก็สวยมัดชัดตาลมเนี่ยหรือที่ไม่ใช่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกขนะั้นเป็นลักษณะนี่ต้องชัดตรงนี้ก่อนนี้ว่าโดยลักษณะประการต่อมาคืออภิฐานนะอันนี้คือเหตุใกล้เนาะ อธิฐานะเนี่ยเหตุใกล้ในพระบาลีที่บอกว่าพรรษาปัจจะยาเวทนาเพราะพรรษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพรรษาจึงเป็นที่ตั้งของเวทนาไหมเป็นไม่เป่นเรียเป็นที่ตั้งของเวทนาพรรษาทางตาก็เป็นที่ตั้งของเวทนาทางทวารตาพรรษาทางทวารหูทางทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจก็เป็นที่ตั้งของเวทนาทางทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจใช่ไหม สรุปแล้วเวทนามีเหตุใกล้ไม่ใช่ในนี้ถ้าก็ถามเหตุใกล้ของเวทนาคืออะไรเขาก็บอกว่าอาวิชาตัญหากรรมใช่ไหมเอาวิชาตัญหากรรมในอดีตใช่ไหมในอดีตหรือเปล่าอาวิชาตัญหากรรมในอดีตนะถามว่ากรรมเนี่ยเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่เป็นปัจจัยเก่เวทนากุศลหรืออกุศลทั้งสองอย่างนะอกุศลกรรมเป็นปัจจัยเกี่ แกเวทนาอะไรดีทุกขเวทนากุศลกรรมก็เป็นปัจจัยแกเสขเวทนาใช่ไหมตอนนี้พระเทวทัตได้เวทนาไหมได้สวยเวทนาไหมจากอากุศลกรรมหรือกุศลกรร ม, รรรมเห็นไหมตอนนี้ภาษะที่เป็นเหตุใกล้ของพระเทวทัตภาษะปัจจยาเวทนาเป็นภาษาที่เป็นที่ตั้งของทุกหรือของสุขหรือของอุเบกขาของทุกนะ ทีนี้แผ่นกายของท่านสูงเป็นหลายโยอดต้องนึกเนาะแผ่นกายของท่านเนี่ยหนามากนะแล้วกใ็ใหญ่เยอะมากกว้างมากแล้วก็จะต้องถูกไฟจากแปดทิศหกทิศเนี่ยนะฮะฉีดเข้ามาที่ร่างกายของท่านตลอดเวลาแล้วท่านก็ร้องตลอดเวลาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาณนะบัดนี้สองพันกว่าปีมาแล้วพระเทวทัศท่านไปรับทุกเวทนาเนี่ยนะ ที่ได้รับผัสสะ ท, ท่านทุกทั้งทวารทั้งหมดเลยเนอะทวารตาหูจมูกลิ้นทั้งทวารใจเขาแนโดนเวเดนาเหล่านี้เพราะมีผัสสะที่เป็นที่ตั้งเหิงทุกนี่มาจากผัสสะเป็นเหตุใกล้ของพระเทวทัตไหมเป็นเหตุใกล้เนาะผัสสะที่เป็นดีตั้งเหิงทุกเป็นเหตุใกล้ของท่านเป็นอธิษฐานอภิฐานกะ็คือคือเหตุเหตุใกล้แล้วก็เหตุไกลของท่านก็คืออะไรอนั น, นตเริยกรรมไงอกุศลเลนะอะอนันตริยกรรมที่มาจากกรรมตัวไหน กรอะไรดีเห็นโลหิตตัวปบาทหรือสังกเพศดีเอากรรมไหนดีเอาสังกเพศเอากรมที่หนักที่สุดนะเอากรมที่หนักที่สุดรู้ไหมว่าพระเทวทัศเนี่ยท่านได้รับทุกขเวทนาอย่างนั้นหน้ากรุณามหมหน้าไหมหน้ากรุณาเนี่ยแต่แน่นาโคตหน้ากรุณาท่านไหมท่านจะได้ตัดสู้เป็นพระ ตาเจาพระพุทธเจ้ามีนามว่าอัตถิสารละอย่างนี้น่าก็านามไหยก็ต้องบอกว่าเออท่านทนไปเถอะแล้วท่านจะได้ดีอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวท่านได้ดีนะเพราะพระพุทธเจ้าตรัสแล้วนี่ยไม่มีสองอันนี้ก็นี่แล้วแล้วแล้วดูกระแสขันของเราที่มันจะเป็นใบในอนาคตเราได้รับพุทธบุญยากรอนนี่ยังไงได้ไหมมั่นใจไ้มว่าเราเนี่ยจะไปพ้นทุกข์ก่อนประเดียววะทั้ มั่นใจไหมชัก ห, หนาวๆร้อ น, นๆเนี่ชักเริ่มนหนาๆๆๆๆวร้อนๆเลยเวทนาเดียวทุกขเวทนาอย่างเดียวทีนี้ดูอีกทางหนึ่งนะพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาติตัวนี้ทําอะไรดีทํากรรมอะไรดีปิดบุคคลนะก็เชื่อพระเทวทัตก็ทํากรรมที่ไม่เหมานะเนาะ เนี่ยคบคนพานเป็นอย่างนี้นะท่านก็โอ้โห و, ไม่ถ้าเชื่อไหมถ้าเราเกิดทางวัตถุธาน์เราจะเชื่อวัตถุธาตุไหมเอาเล่นห อ, อกมาเนี่ยบนหน้าต่างเนี่ยแล้วก็มาแสดงอีเทลิสมีงูพันตัวรอบเลยเนี่ยมาเยี่อยู่หน้าต่างเชื่อไหมถ้าวันดีคืนดีตัวเนี้ยนะ ถ้ากลุ่มที่ว่ามาเล่าอีกบางที่ว่าฤฤษยอะที่慢慢เขาไปปฏิบัติแข่งกับพระในวนป่าที่ว่ามาเล่าอีกบางเนี่ยเขานั <S <s really> ่งกรรมฐานไม่เป็นทีละวันวันวันด really ีคืนดีเขาประชุมอปตอมชาญทุติยชาญจะจะตุติยชานได้แล้วต่อได้อาจิญยาได้ขึ้นมาเกิดทาอิทธิฤทธิทั้ทั้งๆที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวตั้งนี่แหละแต่วันดีคืนดีก็หออมายอมกําลังนอนอยู่ไอ้ใครห่อมาหน้าต่างหมดแสดงโปรด้วยเนี่ยเดินตามเราสิ เราจะพาเข้าหาพบคุณธรรมที่สามารถทําให้พ้นทุกได้ยังมัวเรียนทําไมสติปัฏฐานประโยชน์ชักลังเลนะมอะไรอาจารย์สอนอะไรไม่มีอะไรแสดงให้เห็นตั้งนิดเลยสู้อย่างนี้ไม่ได้ชัดเจนมากใช่ไห้ยรัเอาไปไหมเงี้ยนี่ไงก็เนี่ยปัญหาเป็นอย่างนี้ชาวพุทธเราจะไหมเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่อย่ถ้ามาหาเราอย่างนั้นก็เชื่อฉะนั้นพระเจ้าอาชาสัตรูกลุมานเนี่ยก็ต้องเชื่ออยู่แล้วในที่สุดจริงๆก็พูดมีเหตุมีผล้วยนะบอกว่ามาหามมพนะิษนี่ยสมัยปัจจุบันเนี่ยคนเราอายุไม่ยืนแนละ้วใช่ไหมถ้าล้อลอไปเนี่โอกาสจะเป็นพระเจ้าเป็นดินนี่ ย, ยากแล้วเีินลองคุยคุยไปกอกหูทุกวันุวันเนี่ยเรียบร้อยลนเลยเดี๋ยนี้ในที่สุดจริงๆก็ทำกำํากรรมไม่เหมาะสม